วิธีชะลอความโกรธโทสะเกิดขึ้นกี่ครั้งสงบแล้วก็จมลงเป็นพื้นฐานของจิตใจเท่านั้นครั้งไม่ได้หายไปไหนเลยแม้แต่ครั้งเดียวโทสะที่จมลงในจิตใจนี้ไปทําให้จิตใจมีโทสะเพิ่มขึ้นทุกทีคิดให้ดีจะเห็นว่าไม่น่าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นต่อไป น่าจะแก้ไขขั้นตน้นต้องพยายามไม่ให้โทสะเกิดขึ้นอีกง่ายๆซึ่งน่าจะต้องพยายามเป็นเรื่องๆไปเช่นพยายามไม่ให้เกิดโทสะในเวลาขับรถต้องอาศัยสติเป็นสำคัญคือก่อนจะขึ้นประจาที่นั่งในรถทุกครั้งต้องตั้งใจทำสติให้ได้ว่าจะไม่โกรธเลยในระหว่างที่ขับรถอยู่ จะไม่โกรธตั้งใจให้มั่นสำทับตัวเองให้แข็งแรงว่าจะไม่โกรธจัดใจเย็นเช่นนี้แล้วขณะที่ขับรถอยู่แม้จะมีอะไรมาทําให้อยากโกรธก็จะสามารถรักษาจิตใจให้ไม่โกรธได้ดีกว่าไม่ตั้งใจไว้ก่อนเลยว่าจะไม่โกรธคือถึงแม้จะโกรธบ้างก็จะโกรธน้อยกว่าไม่ตั้งใจไว้ก่อนดังนั้นก่อนจะขึ้นขับรถทุกครั้ง จึงควรจะทำสติให้เกิดขึ้นทำใจให้ตั้งมั่นสัญญากับตนเองว่าจะไม่โกรธขณะขับรถจะไม่โกรธและจะทำให้ได้การตั้งใจเช่นนี้อาจจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างอื่นเลยนอกจากไม่อยากโกรธเพราะความโกรธทำให้ไม่สบายถึงจะไม่ประกอบด้วยเหตุผลอย่างอื่น แต่การตั้งใจจริงที่จะไม่โกรธก็จะได้ผลมากน้อยตามกําลังการตั้งใจตั้งใจเข้มแข็งเด็ดขาดจริงจะทำให้เกิดผลเด็ดขาดจริงได้คือจะทาให้ไม่โกรธเลยได้จริงๆในระยะเวลาที่กำหนดไว้นั้นเช่นในเวลาขับรถ แต่ถ้ามีเหตุผลประกอบการตั้งใจว่าจะไม่โกรธด้วยก็จะได้ผลยิ่งขึ้นเพราะเหตุผลสำคัญเสมอเมื่อประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้วยอมยอมรับด้วยดีไม่คำนึงถึงอย่างอื่นเช่นเมื่อตั้งใจจะไม่โกรธเวลาขับรถก็ให้ยกเหตุผลขึ้นประกอบด้วยว่าบรรดาคนที่ขับรถคับคั่งอยู่ในถนนทั้งหลายนั้น บางคนอาจจะกำลังมีธุระร้อนจริงๆใครสักคนอาจจะกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเรียบด่วนจากเขาเขาอาจจะกำลังไปตามหมอเพราะมีคนเจ็บหนักบางคนอาจจะใจร้อนเสียจนเคยรอไม่ได้เพราะความเคยต้องรีบร้อนไปตามเคยเท่านั้นบางคนอาจจะขับมาจากไหนไกลมากจนเหน็ดเหนื่อยหมดการควบคุมใจให้เป็นปกติทาอะไรอะไรไป โดยไม่นึกถึงความควรไม่ควรบางคนเช่นคนขับรถโดยสารประจำทางต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยใจคอก็ย่อมไม่ปกติทำอะไรลงไปก็เพราะความเหน็ดเหนื่อยผลักดันน่าสงสารน่าเห็นใจไม่น่าไปโกรธยกเหตุผลดังตัวอย่างข้างต้นมาพิจารณาประกอบ ก, บ, กบกับการตั้งใจว่าจะไม่โกรธ ย่อมจะเกิดผลดังความตั้งใจและหากปฏิบัติให้สม่ำเสมอคือทุกครั้งที่จะขึ้นขับรถหรือจะขึ้นนั่งรถจะได้ผลดียิ่งขึ้นทุกทีจนถึงจะไม่โกรธได้เลยไม่ว่าจะต้องขับรถไปพบคนขับรถอื่นๆที่มีมารยาทอย่างไรก็ตามอันความไม่โกรธนั้นไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ หรือเป็นผลดีแก่ใครยิ่งกว่าแก่ตัวเองจึงควรอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติเพื่อความไม่โกรธในขั้นต้นแม้เพียงเมื่อกำลังขับรถหรือนั่งอยู่ในรถผู้มีธรรมะถือเหตุผลเป็นสำคัญเสมอไม่ว่าใครจะทำผิดมาแล้วมากน้อยเพียงไหน หากเห็นเหตุผลที่กระทําไปเช่นนั้นจะอภัยได้อย่างง่ายดายการตั้งใจจริงที่จะไม่โกรธขณะขับรถพร้อมกับใช้ปัญญาหาเหตุผลมาประกอบเพื่อไม่ให้เกิดความโกรธก็คือการตั้งใจจริงที่จะเข้าใจเหตุผลความจําเป็นของคนที่ขับรถอื่นๆด้วยมารยาทอันชวนให้โกรธและเมื่อเห็นเหตุผลความจําเป็นของเขาแล้ว ก็จะอภัยให้ได้ไม่โกรธการฝึกใจไม่ให้โกรธจึงเท่ากับเป็นการฝึกให้อภัยในความผิดของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนับเป็นการบริหารจิตอย่างยิ่งวิธีหนึ่งที่จะให้ผลดีแก่ผู้บริหารเอง เทาที่เคยได้ยินมารถหรือคนขับรถที่ถูกโกรธมากที่สุดคือรถโดยสารประจำทางหรือคนขับรถโดยสารประจำทางเห็นจะแทบทุกคันทุกสายที่พูดพูดกันให้ได้ยินก็เพราะขับไม่เกรงใจใครชอบเบียดชอบแซงเพราะรีบร้อนจะไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาชนเป็นชนตายเป็นตายทั้งหมดเนี่ย เป็นเหตุให้ผู้ขับรถคันอื่นๆเกิดโทโซบางทีถึงคิดสู้คือใช้วิธีขับไม่ให้รถประจำทางขึ้นหน้าไปได้เลยบางคนเล่าว่าถึงกับดับเครื่องรถของตนจอดขวางทางไว้เฉยๆทำให้รถที่ตามติดมาแล่นต่อไปไม่ได้ด้วยเหมือนกันบางคนถึงกับลงจากรถไปตอบปากต่อคคำกันซึ่งบางที ก็ถึงได้รับบาดเจ็บเลือดตกยางออกและบางรายก็ถึงตายทั้งหมดนี้เกิดจากอำนาจโทสะที่ไม่ได้รับการพยายามแก้ไขไม่ให้เกิดด้วยวิธีที่กล่าวแล้วข้างต้นเป็นต้นแต่ก็เคยได้ยินมาเหมือนกันบางคนไม่โกรธรถประจำทางหรือคนขับรถประจำทางเลย ไม่ว่าจะขับด้วยมารยาทชวนให้โกรธเพียงใดก็ไม่โกรธทั้งยังให้ความเห็นใจอำนวยความสะดวกให้จนสุดความสามารถด้วยเช่นเปิดทางให้ไปก่อนโดยดีเสมอที่ทำเช่นนั้นบอกว่าไม่ใช่เพราะกลัวถูกชนแล้วจะแย่เพราะรถประจำทางคันใหญ่กว่ามากไม่ใช่เพราะรำคาญอยากให้ไปเสียให้พ้นๆไม่ใช่เพราะประชดประชัน แต่เพราะมีเหตุผลที่ตนพอใจและเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ถูกต้องสมควรเมื่อเห็นเหตุผลเช่นนั้นแล้วการให้อภัยก็เกิดตามมาไม่ว่ารถประจําทางจะแล่นอย่างไรผิดมารยาทมากมายอย่างไรก็อภัยให้ได้ไม่โกรธเหตุผลที่ทำให้บุคคลประเภทหลังนี้ไม่โกรธคนขับรถประจําทางอำนวยความสะดวกให้จนสุดความสามารถเสมอ มีอยู่ว่าเพราะได้คิดไปถึงความเหน็ดเหนื่อยของคนขับที่ต้องมีมากมายแน่แล้วก็คิดไปถึงบรรดาผู้โดยสารจํานวนมากที่เบียดเสียดกันอยู่แน่นรถประจําทางทุกคันเสมอทุกคนได้รับความลําบากไม่น้อยรถยิ่งติดนานเพียงไรก็ยิ่งลําบากอยู่นานเพียงนั้นคนขับรถส่วนตัวที่ไม่ต้องเบียดเสียดกับใครเวลารถติดนานหน่อย ยังรู้สึกเดือดร้อนไม่เป็นสุขคนนั่งรถประจำทางนั้นแม้รถจะไม่ติดก็มีความเดือดร้อนไม่เป็นสุขเพราะการต้องเบียดเสียดและห้อยโหนอยู่แล้วเมื่อรถติดก็จะต้องเดือดร้อนมากขึ้นคนคนเดียวยอมรับความเดือดร้อนเพียงเล็กน้อยเพื่อความสบายขึ้นบ้างของคนจำนวนมากต้องเป็นสิ่งควรทำ ต้องเป็นการกระทำที่ดีแน่การเสียสละประโยชน์ตนเพียงเล็กน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่นั้นผู้ใดทาไ ด, ได้ผู้นั้นมีฐานะของจิตใจอยู่ในระดับสูงผู้ใดยังทำไม่ได้ผู้นั้นควรจะได้บริหารจิตให้ยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ทำได้ที่จริงผู้บริหารจิตจนเป็นผู้มีจิตสวยงามขึ้นเรื่อยเื เป็นผู้ได้ประโยชน์จากการกระทำนั้นด้วยตนเองยิ่งกว่าผู้ใดจะได้